คำพีวิสุทธิมักเปริเฉทที่ส0อารูปปนิเทศอากาาสาญจายตนะกถาก็บรรดาอารูปสมาบัติทั้งสี่ที่ท่านอาจารย์พุทธโคสะยกขึ้นแสดงไว้ต่อลำดับพรหมวิหารนิเทศพระโยคีผู้ต้องการจะเจริญอากาสาณจายตนะสมาบัติเป็นต้นเห็นโทษในกรัชรูปด้วยอำนาจแห่งโทษมีการต้องอาชญาเป็นต้น และแห่งอาพาตั้งพันชนิดมีโรคตาโรคหูเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้และยังจะตุบทะชาญให้เกิดในกษินทั้งก้าอย่างมีปฐวีกษินเป็นต้นกษินใดกษินหนึ่งเว้นปริชินนากาสศักศิสินเสียเพื่อการก้าวล่วงกระชรูปนั้นเพระพระบาลีว่าก็เมื่อรูปอย่างปรากฏอยู่แลการจับท่อนไม้การจับสัตราการทะเลาะ การยึดถือความเห็นที่ผิดกันและการวิวาทกันย่อมมีขึ้นได้เพราะรูปเป็นเหตุแต่เหตุทุกอย่างนั้นไม่มีเลยโดยประการทั้งปวงในอรูปประชาเธอรู้ชัดอย่างนี้แล้วยอมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดและเพื่อความดับรูปทั้งหลายนั่นแหละพระโยคี ก้าวลวงรูปกระสินแม้กระชรูปจะเป็นสิ่งที่พระโยคีนั้นก้าวลวงได้ด้วยอำนาจรูปปาวาจรจตุตาชาญก็จริงถึงอย่างนั้นเพราะเหตุที่แม้รูปแห่งกระสินก็นกยังนับว่าเป็นรูปมีส่วนเปรียบด้วยกระชรูปนั่นเองฉะนั้นพระโยคีนั้นจึงเป็นผู้ต้องการก้าวลวงรูปกสินแม้นั้น ถามว่าจะก้าวล่วงได้อย่างไรตอบว่าเปรียบเหมือนคนกลัวงูถูกงูไล่ในป่าจึงหนีไปโดยเร็วเห็นใบตาลที่มีลวดลายหรือเถาวันหรือเชือกหรือช่องแผ่นดินที่แตกระแหงในที่ที่ตนหนีไปย่อมกลัวย่อมสะดุง้งไม่ต้องการจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเลยอันหนึ่ง เปรียบเหมือนคนที่อยู่บ้านแห่งเดียวกันกับคนที่จองเวรกันซึ่งกระทำแต่ความพินาถแก่กันและกันถูกคนจองเวรคนนั้นคอยเบียดเบียน ด, ด้วยการจะฆ่าการจองจำและเผาเรือนเป็นต้นจึงย้ายไปเพื่ออยู่อาศัยอย่างบ้านอื่นได้เห็นคนแม้ในบ้านนั้นที่มีรูปร่างและเสียงพูดคล้ายกับคนที่จองเวรกันย่อมกลัวย่อมสะดุง้งไม่ต้องการเห็นคนนั้นเลย ในข้อนั้นมีการเทียบเคียงกันอย่างนี้ก็การเวลาที่พร้อมเพรียงแห่งกรัชรูปด้วยสามารถทำให้เป็นอารมณ์แก่ภิกษุเปรียบเหมือนการเวลาที่คนเหล่านั้นถูกงูกัดหรือคนที่จองเวรการ เ, กเบียดเบียนการเวลาที่ก้าวล่วงกรัชรูปด้วยอำนาจรู ป, ปาวะจรจะตุทธัชานของภิกษุเปรียบเหมือนการหนีไปโดยเร็ว และการย้ายไปยังบ้านอื่นของคนเหล่านั้นความกำหนดแม้กรสินรูปว่ากรสินรูปนี้ก็มีส่วนเปรียบกับกรัชรูปนั่นเองเราต้องการจะก้าวล่วงกรสินรูปนั้นเสียของภิกษุเปรียบเหมือนความที่คนเหล่านั้นได้เห็นใบาตาลที่มีลวดลายเป็นต้นในที่ที่ตนหนีไปและคนที่เหมือนกับคนจองเวนกันในบ้านอื่น เกิดความกลัวความหวาดเสียวไม่ต้องการจะเห็นก็ในอธิการนี้ควรกล่าวถึงข้ออุปมาเป็นต้นว่าสุนัขถูกสุกรทำร้ายและคนกลัวผีการเข้าอากาส า, านัญจายตนะชานก็เพราะพระโยคีนั้นเป็นผู้เบื่อนายต้องการจะหลีกจากกษิสนรูป อันเป็นอารมณ์แห่งจตุตถะฌานด้วยประการชนี้เป็นผู้มีวสีอันสั่งสมแล้วโดวยอาการห้าออกจากรูปาวจรจตุตถะฌานอันชำนานเห็นโทษในฌานนั้นว่าจตุตถะฌานนี้กระทํารูปที่เราเบื่อหน่ายแล้วให้เป็นอารมณ์และว่าฌานนี้มีโสมนัสเป็นข้าศึกอยู่ใกล้และว่าฌานนี้หยาบกว่าสันตวิโมก ส่วนในอรูปฌานนี้ไม่มีความเป็นองค์ที่ยากอันหนึ่งจตุตถฌานนี้มีองค์สองชั้นใดแม้อารูปฌานทั้งหลายก็เหมือนกันชันนั้นวิธีเพิกกรสินพระโยคีนั้นเห็นโทษในจตุตถฌานนั้นอย่างนี้แล้วคลายความนิยม ไฟ ใ, ใจอากาศสานัญจายตนะฌานโดยเป็นฌานที่สงบไม่มีที่สุดย่อมแผ่กสินไปสุดรอบจั ก, กรวาลหรือเท่าที่ตนปรารถนาไฟ ใ, ใจโอกาที่กสินนั้นถูกต้องว่าอากาโสหรือว่าอนันโตอากาโซดังนี้ย่อมเพิ่กสินได้ก็เมื่อจะเพิ่กสินไม่ใช่เหมือนเลิกเสื่อลำแพนหรือเหมือนแทะขนมจักราน คือไม่นึกไม่ใส่ใจไม่พิจารณากสินนั่นเลยก็เมื่อไม่นึกไม่ใส่ใจไม่พิจารณาโดยที่แท้ฝ่ใจอยู่เฉพาะโอกาสที่กษิณรูปนั้นถูกต้องว่าอากาโสอากาโสดังนี้ชื่อว่าเพิกกสินได้แม้กสินที่พระโยคีเพิกอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะผุดขึ้นได้ มิใช่ว่าจะหมุนเวียนอยู่ได้เพียงแต่อาศัยการไม่ใฝ่ใจและการใฝ่ใจว่าอากาโสอากาโสของพระโยคีนี้อย่างเดียวกะสินย่อมได้ชื่อว่าถูกพระโยคีเพิ่ขึ้นแล้วเหตุสักว่าอากาศเพิ่กสินยอมปรากฏอันคําว่าอากาศเพิ่กะสินก็ดีอากาศที่กะสินถูกต้องก็ดี อากาศที่ว่างกะสินก็ดีทั้งหมดนี้มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันนั่นแหละพระโยคีนั้นนึกถึงอากาศสารัญจายตนะฌานอันมีอากาศที่เพิ่กะสินเป็นนิมิตนั้นอยู่ บ, บ่อยๆว่าอากาโสอากาโสย่อมทามอากาศสารัญจายตนะฌานให้เป็นอันความตรึกและวิตกคร่ามาได้ เมื่อพระโยคีนั้นนึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆทำอากาสานานจายตนาชานให้เป็นอันความตรึกและวิตกคร่ามาแล้วนิวรณนทั้งหลายย่อมระ ง, งับไปสติย่อมดำรงอยู่ด้วยดีจิตย่อมตั้งมั่นด้วยอุปจาระชาญเธอจึงหมั่นบําเพ็ญเจริญและเพิ่มภูนิมิตนั้นบ่อยๆเมื่อเธอหมั่นนึกไฝ่ใจบ่อยๆอยู่อย่างนี้ จิต ท, ที่ประกอบด้วยอากาสารนัญจายตนาชาญในความว่างย่อมแนบแน่นเหมือนรูปาวจรจิตในปฐวีกสินเป็นต้นด้วยว่าชาวนาจิต ท, ทั้งสามดวงหรือสี่ดวงเบื้องต้นแม้ในฌานนี้เป็นกามาวจรสัมปยุตโดยอุเบขาเวทนาเท่านั้นส่วนชวนาจิตดวงที่สี่หรือดวงที่ห้าเป็นอรูปาวจร คำที่เหลือมีนัยยะเหมือนกับที่กล่าวในปัททวีกสินแต่ที่แปลกกันดังนี้คือเมื่ออรูปราวจรจิตเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเพ่งมนทนกสินในยักก่อนด้วยจักษุที่ประกอบด้วยฌานอยู่ย่อมเพ่งอยู่เฉพาะอากาศเท่านั้นในนิมิตนั้นที่ถูกการฝ่ใจในบริกรรมแม้นี้พรากออกโดยพลันว่า อากาศโสอากาศโสเปรียบเหมือนคนผูกหน้าผูกปากช่องน้อยแห่งกระเพาะและปากหม้อเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยผ้าเก่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีขาวเป็นต้นสีได้สีหนึ่งแล้วเมื่อจะเพ่งพึงยืนเพ่งดูเฉพาะอากาศที่ผ้าเก่าถูกกําลังลมหรือปัจจัยอื่นอันใดอันหนึ่งโบกพัดฉะนั้น ก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้ประโยคีนั้นท่านเรียกว่าเข้าอากาสานัญจายตนะฌานโดยการบริกรรมว่าอนันโตอากาโศอากาศไม่มีที่สุดเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้เพราะดับปฏิฆาสัญญาเสียได้และเพราะไม่ไฝ่ใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะก้าวล่วงอารมณ์ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโดยประการทั้งปวงคือโดยอาการทุกอย่างอธิบายว่าหมดทุกอย่างไม่มีเหลือคำว่ารูปสัญญาทั้งหลายได้แก่รูปปาวจรชานที่ท่านกล่าวไว้ด้วยหัวข้อว่าสัญญาและอารมณ์แห่งรูปปาวจรชานนั้นเพราะว่าแม้รูปปาวจรชานท่านก็เรียกว่ารูป ในคำเป็นต้นว่าคนผู้ได้รูปประจานยอมเห็นรูปแม้อารมณ์แห่งรูปประจานนั้นก็เรียกว่ารูปเหมือนกันในคำเป็นต้นว่ายอมเห็นรูปภายนอกทั้งที่มีผิวพันธ์ดีทั้งที่มีผิวพั น, พนส์ซามเพราะเหตุนั้นอารมณ์แห่งรูปปาวจรชานนั้นจึงเป็นชื่อแห่งรูปปาวจรชานที่กล่าวแล้วด้วยหัวข้อว่าสัญญาอย่างนี้ว่า สัญญาในรูปประชานี้ชื่อว่ารูปรสัญญารูปเป็นเครื่องหมายรู้แห่งฌานนี้เหตุนั้นฌานนี้ชื่อว่ามีรูปเป็นเครื่องหมายรู้อธิบายว่ารูปเป็นชื่อแห่งฌานนี้นักศึกษาพึงทราบว่ารูปประชานี้เป็นชื่อแห่งกสินมีประเภทแห่งปัตวีกสินเป็นต้นและแห่งอารมณ์ของปัตวีกสินเป็นต้นนั้น ดังอธิบายฉนี้คำว่าเพราะก้าวลวงคือเพราะคลายกาหนัดและเพราะดับท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไรคือเพราะคลายกาหนัดและเพราะดับได้แก่เพราะการคลายความกาหนัดเป็นเหตุและเพราะความดับเป็นเหตุแห่งรู ป, ปรสัญญาคือฌานทั้ง15ด้วยอำนาจคุณส ล, ลจิตวิปากจิต และกิริยาจิตเหล่านี้และแห่งรูปสัญญาคืออารมณ์ทั้งเก้าด้วยอํานาจปัทวีกสินเป็นต้นเหล่านี้หรือรูปสัญญาโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอาการทั้งปวงพระโยคีจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะฌานอยู่ได้เพราะเหตุว่าผู้ที่ยังไม่ก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงไม่อาจจะเข้าฌานนี้ได้ เพราะผู้ที่ยังไม่คลายความกำหนัดในอารมณ์นั้นย่อมไม่มีการก้าวล่วงสัญญาและเมื่อก้าวล่วงสัญญาทั้งหลายได้แล้วก็เป็นอันก้าวล่วงอารมณ์ได้ด้วยฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวการก้าวล่วงอารมณ์กล่าวการก้าวล่วงสัญญาทั้งหลายไว้ในวิพังอย่างนี้ว่าในสัญญาเหล่านั้นรูปสัญญาเป็นไนสัญญา คือความจำได้ได้แก่ความหมายรู้แห่งพระโยคีผู้เข้าหรือผู้เข้าถึงรูปปาวจรสมาบัติหรือผู้อยู่เป็นสุขในธรรมะที่ตนเห็นแล้วอันใดเหล่านี้เรียกว่ารู ป, ปรสัญญาพระโยคีเป็นผู้ก้าวล่วงคือล่วงเลยได้แก่ข้ามพ้นรู ป, ปรสัญญาเหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงก็เพราะสมาบัติเหล่านี้ประโยคีพึงบรรลุด้วยการก้าวล่วงอารมณ์หาใช่บรรลุในเพราะอารมณ์เพียงอย่างเดียวเหมือนปฐมฌานเป็นต้นไม่ฉะนั้นอัตตะวันนานานี้นักศึกษาพึงทราบว่าท่านกล่าวแล้วแม้ด้วยอานาจการก้าวล่วงอารมณ์ เพราะดับปฏิฆะสัญญาคำว่าปพระดับปฏิฆาสัญญ า, า, า, ญญาอธิบายว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเพราะวัตถุมีตาเป็นต้นและอารมณ์มีรูปเป็นต้นกระทบกันชื่อว่าปฏิฆะสัญญาคำนี้เป็นชื่อแห่งรูปสัญญาเป็นต้นเหมือนดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าในสัญญาเหล่านั้น ปฏิฆสัญญาเป็นชไหนความหมายรู้ในรูปความหมายรู้ในเสียงความหมายรู้ในกลิ่นความหมายรู้ในรสความหมายรู้ในการถูกต้องเหล่านี้เรียกว่าปฏิฆสัญญาเพราะดับคือเพราะละได้แก่เพราะไม่ให้เกิดขึ้นแห่งปฏิฆสัญญาทั้งสิบประการคือฝ่ายกุศลวิบากหประการ ฝ่อาอกุศนลวิบาก์ห้าประการเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงมีคําอธิบายว่าเพราะทําไม่ให้เป็นไปส่วนพระโยคีผู้เข้าปฐมฌานเป็นต้นย่อมไม่มีสัญญาเหล่านี้แน่นอนถึงอย่างนั้นในสมัยนั้นจิตย่อมไม่เป็นไปด้วยอํานาจทวารทั้งห้าแม้เมื่อเป็นเช่นนั้น นักศึกษาพึงทราบการพูดถึงปฏิคาสัญญาเหล่านี้ไว้ในปฐมอรูปฌ า, านกถานี้ด้วยอำนาจการสันเสริญฌานนี้เพื่อต้องการให้เกิดอุตสาหะในฌานนี้ดุดการพูดถึงสุขและทุกข์ที่ละได้แล้วในฌานอื่นไว้ในจตุตถาฌานและดุดการพูดถึงสังโยชนีสักยทิฏฐิเป็นต้นที่ละได้แล้วในมรรคอื่น ไว้ในมรรคที่สามเชนั้นอีกในยะหนึ่งปฏิฆาสัญญาเหล่านั้นไม่มีแก่พระโยคีผู้เข้ารูปาวจรชานก็จริงแต่จะชื่อว่าไม่มีเพราะละได้เด็ดขาดก็หาไม่เพราะว่าการเจริญรูปาวจรชานไม่เป็นไปเพื่อการสำรอกรูปแต่การเป็นไปแห่งปฏิฆาสัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับรูป ดังนั้นภาวนานี้จึงเป็นไปเพื่อการสำรอกรูปเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวได้ว่าละปฏิฆะสัญญาเหล่านั้นได้ในฌานนี้แต่ไม่ควรกล่าวอย่างเดียวแม้การท่องจำไว้อย่างนี้โดยส่วนหนึ่งเท่านั้นควรอยู่จริงอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าในการก่อนแต่นี้ เพราะยังละปฏิกัสสัญญาเหล่านั้นไม่ได้พระโยคีผู้เข้าปฐมฌานจึงมีเสียงเป็นเสี่ยนหนามแต่ในอรูปฌานนี้พระองค์ตรัสความที่อรูปสมาบัติเป็นสภาวะที่ไม่หวั่นไหวและเป็นสภาวะที่พ้นอย่างสงบเพราะละปฏิกะสสัญญาได้อย่างเด็ดขาดตัวอย่างเช่นท่านอลารดาบทกลามโคดเข้าอรูปสมาบัติ ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มที่ผ่านเฉียดเลยไปเพราะไม่ใฝ่ใจนานัตสัญญาคำว่าเพราะไม่ใฝ่ใจนานัสสัญญาอธิบายว่าสัญญาที่เป็นไปในอารมณ์ที่แตกต่างกันหรือสัญญาที่แตกต่างกันก็เพราะเหตุที่สัญญาเหล่านี้ ท่านกล่าวจำแนกไว้ในวิพังประกอบอย่างนี้ว่าบรรดาสัญญาเหล่านั้นนานตะสัญญาเป็นชนไหนสัญญาคือความจำได้แก่ความหมายรู้แห่งพระโยคีผู้มิไดชานผู้พลังพร้อมด้วยมโนธาตุหรือพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุอันใดเหล่านี้เรียกว่านานตะสัญญา สัญญาที่สงเคราะห์ด้วยมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุของพระโยคีผู้มีได้เข้าฌานเป็นไปในอารมณ์ที่แตกต่างกันคือมีสภาพแตกต่างกันมีรูปและเสียงเป็นต้นเป็นประเภทท่านประสงค์เอาในที่นี้อันหนึ่งเพราะเหตุที่สัญญา44ประการอย่างนี้คือการมาว่าจอนกุส ล, ละสัญญา8 อกุศลสัญญาสิบสองการมาวาจรกุศลวิบากสัญญาอากุศลวิบากสัญญาสองและกามาวาจรกิริยาสัญญาสิบเอ็ดเหล่านี้แตกต่างกันคือมีสภาพแตกต่างกันไม่เหมือนกันละกันฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่านานั ต, ตสัญญาเพราะไม่ฝ่ายใจถึงเพราะไม่คํานึงถึง เพราะไม่เริมพึงถึงเพราะไม่พิจารณาถึงนานัตัสัญญาเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงมีอธิบายว่าเพราะเหตุที่พระโยคีไม่คำนึงไม่ใฝ่ใจไม่พิจารณานานัตัสัญญาเหล่านั้นฉะนั้นอันหนึ่งเพราะในสัญญาเหล่านี้รูปสัญญาและปฏิกาสัญญาอันเป็นเบื้องต้นไม่มีแม้ในพบที่บังเกิดด้วยชานี้เอง จะกล่าวไปใหญ่ถึงในเวลาเข้าชานี้อยู่ในพบนั้นเหตุนั้นท่านจึงกล่าวความที่สัญญาเหล่านั้นไม่เป็นแม้โดยประการสองอย่างเท่านั้นไว้ว่าเพราะก้าวล่วงเพราะดับบรรดานานาตสัญญาทั้งหลายก็เพราะสัญญา27ประการเหล่านี้นคือการมาวจรกุศลสัญญา8กิริยาสัญญาเกาอกุศลสัญญาสิบ มีในพบที่บังเกิดด้วยฌานนี้เหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่ า, วาเพราะไม่ฝ่ใจสัญญาเหล่านั้นจริงอยู่พระโยคีผู้เข้าฌานนี้แม้ในสัญญาเหล่านั้นอยู่ก็ย่อมเข้าฌานเพราะไม่ฝ่ใจสัญญาเหล่านั้นเองอยู่แต่ว่าเมื่อไม่ฝ่ใจสัญญาเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่ได้เข้าฌานเลย ก็ในคำนี้พึงทราบโดยสังเขปดังต่อไปนี้ด้วยคำนี้ว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาทั้งหลายท่านกล่าวถึงการละรูปปาวจรธรรมทุกอย่างด้วยคำนี้ว่าเพราะดับปฏิคัสัญญาทั้งหลายเพราะไม่ใฝ่ใจนา น, นัตสัญญาทั้งหลายท่านกล่าวถึงการละและการไม่ใฝ่ใจจิตและเจตสิกอันเป็นการมาวาจรทั้งปวง อากาศ า, านัญญาตนาชานพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าอากาศไม่มีที่สุดนี้ดังต่อไปนี้อากาศนี้ไม่ปรากฏที่สุดคือความเกิดขึ้นหรือที่สุดคือความเสื่อมหายไปเหตุนั้นอากาศนี้จึงชื่อว่าไม่มีที่สุดอากาศที่เพิดเพินท่านเรียกว่าอากาศ อันหนึ่งพึงทราบความไม่มีที่สุดในอากาศนี้แม้ด้วยอำนาจการไฝ่ใจเพราะเหตุนั้นแลในวิพังปรกรณ์ท่านจึงกล่าวไว้ว่าประโยคีตั้งจิตไว้มั่นคือตั้งจิตไว้ด้วยดีในอากาศนั้นแผ่ไปไม่มีที่สุดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอากาศไม่มีที่สุด พึงทราบวินิจฉัยในคำว่าเข้าถึงอากาศสานัญจายต น, นะอยู่อารมณ์นั้นไม่มีที่สุดเหตุนั้นอารมณ์นั้นชื่อว่าไม่มีที่สุดอารมณ์คืออากาศไม่มีที่สุดชื่อว่าอากาศสานันตะอากาศสานันตะนั่นแหละคืออากาสานัญจะอารมณ์คืออากาศไม่มีที่สุดนั้น ชื่อว่าเป็นแดนอาศัยแห่งฌานพร้อมทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมนั้นเพราะอัฏถาว่าเป็นที่ตั้งมั่นดุจหนึ่งแดนเป็นที่อาศัยแห่งเหล่าเทวดาเหตุนั้นฌานพร้อมทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมนั้นจึงชื่อว่าอากาสานัญยาตนะคำว่าเข้าถึงอยู่ได้แก่บรรลุอากาสานัญจาตนะนั้น คือยังอากาสานัณจายตนะฌานนั้นให้สำเร็จแล้วอยู่ด้วยการอยู่ด้วยอิริยาบถอันสมควรแก่ฌานนั้นนี้เป็นถ้อยถแถลงอย่างพิสดารในอากาสานัณจายตนะกรร ม, มฐานวิญญาณจายตนะกถา ก็พระโยคีผู้ใคร่จะเจริญวิญญาณจายตนญชาญเป็นผู้มีความชํานาญที่ได้ประพฤติมาแล้วในอากาสาร น, นจายตัญชสมาบัติด้วยอาการห้าเห็นโทษในอากาสาัญจายตัญสมาบัติว่าสมาบัตินี้มีรู ป, ปาวจรชานข่าศึกอันใกล้และไม่สงบเหมือนวิญญาณจายตัญสมาบัติจึงคลายความนิยม ได้อากาสานัญจายตนะฌานนั้นฝ่ายใจวิญญาณนันจายตนะฌานโดยเป็นธรรมะที่ละเอียดแล้วพึงใคร้ครวนคือพึงใส่ใจได้แก่พึงพิจารณาวิญญาณที่แผ่ไปยังอากาศนั้นบ่อยๆว่าวิญญาณังวิญญาณังได้แก่พึงกระทําให้เป็นสภาวะอันความตรึกกล้ามาแล้วและอันวิตตกกล้ามาแล้ว แต่ไม่พึงใส่ใจว่าไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดเมื่อพระโยคีนั้นยังจิตให้ท่องเที่ยวไปในนิมิตนั้นอยู่บ่อยๆ อ, อย่างนี้นิวรนทั้งหลายย่อมสงบระงับไปสติย่อมตั้งมั่นด้วยดีจิตย่อมมั่นคงด้วยอุปจาระฌานเธอหมั่นปฏิบัติหมั่นเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นแล้วแล้วเล่าเล่ า, เ, ล า, เ, ลาเมื่อเธอทำอยู่อย่างนี้ วิญญาณัญจายตนาจิตยอมแน่นแฟ้นในวิญญาณที่อากาศถูกต้องดุดอากาศสารัญจายตนะแน่นแฟ้นในอากาศฉชนนั้นก็อัปนาในายะในวิญญาณัญจายตนาชานี้นักศึกษาพึงทราบตามในยะที่ได้กล่าวไว้แล้วแหละก็โดยอาการเพียงเท่านี้ท่านกล่าวว่าประโยคีนั้น ก้าวล่วงอากาศสารนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอยู่โดยบริกรรมว่าอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สุดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโดยประการทั้งปวงนี้มีนัยยะดังที่กล่าวไว้แล้วนั่นเองส่วนในคำว่า ก้าวล่วงอากาสานัญญาตนะนี้มีอธิบายว่าฌานตามนัยยะที่กล่าวไว้แล้วในในัยยะก่อนก็ดีอารมณ์ก็ดีชื่อว่าอากาสานัญจายตนะจริงอยู่แม้อารมณ์ก็ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะตามนัยยะก่อนนั่นแหละและอารมณ์นั้นชื่อว่าอายตนะ เพราะอัตหาว่าเป็นที่ตั้งมัน่นเพราะเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานที่หนึ่งดูดหนึ่งว่าที่อยู่แห่งพวกเทวดาชื่อว่าเทวายตนะฉะนั้นเหตุนั้นอารมณ์นั้นจึงชื่อว่าอากาสานัญจายตนะอันหนึ่งอารมณ์นั้นชื่อว่าอากาสานัญจะด้วยเป็นอายตนะด้วย เพราะอัฏถว่าเป็นถิ่นเกิดเพราะเป็นเหตุแห่งการเกิดพร้อมแห่งชานนั้นดุดคำว่าแควนกัมโพชาเป็นถิ่นเกิดแห่งมาทั้งหลายเป็นต้นแม้เพราะเหตุนั้นชานนั้นจึงชื่อว่าอากาสานัญจายตนะเพราะพระโยคีก้าวลวงสภาวะทั้งสองนี้คือชานหนึ่งอารมณ์หนึ่งโดยกระทาไม่ให้เป็นไป และโดยการไม่ใฝ่ใจอย่างนี้แล้วพึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะชา น, นี้อยู่ฉะนั้นพึงทราบว่าท่านรวมสภาวะทั้งสองอย่างแม้นั้นเป็นหมวดเดียวกันแล้วกล่าวคำนี้ว่าก้าวลวงอากาศสานัญจายตนะดังนี้คำว่าวิญญาณไม่มีที่สุดได้แก่ วิญญาณที่แผ่เป็นไปอย่างนี้ว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้นนั่นเองอธิบายว่าเมื่อพระโยคีใยใจอย่างนี้ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดหรือว่าวิญญาณไม่มีที่สุดด้วยอำนาจการใยใจจริงอยู่ประโยคขีนั้นเมื่อจะใยใจวิญญาณ น, นั้นซึ่งมีอากาศเป็นอารมณ์โดยไม่มีส่วนเหลือ ย่อมฝ่ใจว่าไม่มีที่สุดแม้คำใดที่กล่าวไว้ในวิพังประกอบว่าพระโยคีฝ่ใจอากาศที่วิญญาณถูกต้องนั้นนั่นเองโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดแผ่ไปไม่มีที่สุดเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิญญาณไม่มีที่สุดในวิพังประกอบนั้น สัพ์ว่าวิญญาเนนะพึงทราบว่าเป็นตัติยาวิพัตลงในอัฏฐะแห่งทุติยาวิพัตรจริงอยู่พระอัฏฐกถาจารย์ทั้งหลายพนานันนาอัฏฐะแห่งวิญญาเนนะศัพท์นั้นไว้อย่างนี้มีอธิบายว่าแผ่ไปไม่มีที่สุดคือใยใจวิญญาณที่ถูกต้องอากาศนั้นนั่นแหล หึ่งพึงทราบวินิจฉัยในคําว่าเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอยู่ต่อไปวิญญาณนั้นไม่มีที่สุดเหตุนั้นวิญญาณนั้นจึงชื่อว่าอนันตะอนันตะนั่นแหละคืออนัญจะวิญญาณที่เป็นอนัญจะท่านไม่กล่าวว่าวิญญาญาัญจ่ากล่าวเิียว่าวิญญาณัญจะ เพราะว่าวิญญาณนันจะเป็นศาพที่ใช้กันดาดืดนในอธิการนี้วิญญาณนันจะนั้นเป็นอายตนะแห่งฌานนั้นพร้อมทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมเพราะอัรฐาว่าเป็นที่ตั้งมัน่นเหตุนั้นฌานนั้นจึงชื่อว่าวิญญาณนันจายตนะดุจที่พมนักแห่งเทพทั้งหลายชื่อว่าเทวายตนะ คำที่เหลือเป็นเช่นเดียวกันกับคำอันมีในนัยก่อนนั่นแหละนี้เป็นถ้อยถแถลงอย่างพิสดารในวิญญาณัญจายตนะกรรมฐมานอากินัญญายตนะกะถาก็พระโยคีผู้ต้องการจะเจริญอากินัญญายตนะสมาบัติ เป็นผู้ประพฤติตนจนชำนาญในวิญญาณัญจายตนะสมาบัติโดยอาการห้าอย่างเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะว่าสมาบัตินี้มีอาการสารัญจายตนะเป็นข้าศึกอยู่ใกล้และไม่สงบเหมือนอากินจัญญาญตนะจึงคลายนิยมในวิญญาณัญจายตนะนั้นใส่ใจอากินจัญญาญตนะโดยความเป็นธรรมะอันสงบแล้ว พึงใส่ใจความไม่มีความว่างเปล่าคืออาการที่ว่างแห่งวิญญาณอันเป็นไปในอากาสานัญจายตนะซึ่งเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณนัญจายตนะนั้นนั่นแหละพึงไฝ่ใจอย่างไรคือไม่พึงไฝ่ใจวิญญาณนั้นพึงไครครวนคือพึงไฝ่ใจได้แก่พึงพิจารณาบ่อยๆว่าไม่มีไม่มี หรือว่าว่างเปล่าว่างเปล่าหรือว่าความว่างความว่างได้แก่พึงกระทําให้เป็นสภาพอันความตรึกคร่ามาแล้วและอันวิตกคร่ามาแล้วพระโยคีนั้นเมื่อปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปในนิมิตนั้นอย่างนี้นิวร์ทั้งห้าย่อมสงบระงับไปสติย่อมดำรงอยู่ด้วยดี จิตยอมตั้งมันด้วยอุปจาระชาญเธอย่อมหมันประกอบหมันเจริญหมันกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นเมื่อเธอกระทำอยู่อย่างนี้จิตที่ประกอบด้วยอากินจัญญายตนะยอมแน่นแฟนในความว่างเปล่าความว่างและความไม่มีแห่งมหคัตวิญญาณนั้นนั่นแหละที่แผ่ไปในอากาศเป็นไปดุดวิญญาณัญจายตนะ ในมหัคตะวิญญาณที่อากาศถูกต้องแล้วฉะนั้นส่วนอปปนาเนายะแม้ในฌานนี้พึงทราบตามในยะที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแหละส่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้ก็เมื่ออปปนาจิตนั้นเกิดขึ้นแล้วภิกษุนั้นเห็นวิญญาณที่ตนให้เป็นไปในอากาศในการก่อนด้วยจักษุที่สัมปยุต ด้วยวิญญาณนัญจายตนะฌานอยู่เมื่อวิญญาณนั้นหายไปแล้วด้วยการไฝ่ใจบริกรรมว่าไม่มีไม่มีเป็นต้นย่อมเห็นความไม่มีคือความปราดไปแห่งวิญญาณนั้นโดยแท้อยู่เปรียบเหมือนคนเห็นหมู่ภิกษุประชุมกันที่ศาลาโรงกลมเป็นต้นด้วยกรณียกิจบางอย่างแล้วไปในที่ไหนเสียแล้วจึงกลับมา เมื่อภิกษุทั้งหลายลุกขึ้นแล้วหลีกไปในเวลาที่เสร็จกิจประชุมกันแล้วยืนอยู่ที่ประตูมองดูสถานที่นั้นอยู่อีกจึงเห็นแต่ความว่างเปล่าเห็นแต่ความว่างเท่านั้นเขาย่อมไม่คิดอย่างนี้ว่าภิกษุมีประมาณเท่านี้มรณภาพเสียแล้วหรือว่าหลีกไปอย่างทิศต่างๆเสียแล้วโดยที่แท้ เขาย่อมเห็นแต่ความไม่มีว่าที่นี้ว่างเปล่าเงียบสงัดฉะนั้นก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้ท่านย่อมกล่าวว่าพระโยคีนั้นก้าวล่วงวิญญาณจัญญตนาชาญโดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญ ย, ยตนาชาญโดยบริกรรมว่าไม่มีอะไรเลยอยู่ดังนี้ คำว่าโดยประการทั้งปวงนี้แม้ในอธิการนี้มีนยยะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วและอันหนึ่งแม้ในคำที่ว่าวิญญาณัญจายตนะนี้ฌานก็ดีอารมณ์ก็ดีชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะตามนยะที่กล่าวไว้แล้วในครั้งก่อนนั่นแลจริงอยู่แม้อารมณ์ก็ชื่อว่าวิญญาณัญจะ ตามในยักษ์ก่อนนั่นเองและอารมณ์นั้นก็ชื่อว่าเป็นอายตนะโดยอัตถว่าเป็นที่ตั้งมั่นเพราะเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานที่สองเหมือนที่พมนักแห่งเทพทั้งหลายชื่อว่าเทวายตนะเพราะเหตุนั้นอารมณ์นั้นจึงชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะอันหนึ่ง วิญญาณนันจานั้นด้วยชื่อว่าเป็นอายตนะด้วยด้วยอัตตะว่าเป็นทินเกิดเพราะเป็นเหตุเกิดแห่งชานั่นแหลเหมือนคำว่าแคว้นกัมโพชาเป็นทินเกิดแห่งม้าทั้งหลายแม้เพราะเหตุนั้นชา่นั้นจึงชื่อว่าวิญญาณนันจายตนะเพราะเหตุที่พระโยคีก้าวล่วงเลยสภาวะแม้ทั้งสองนี้คือชานหนึ่งอารมณ์หนึ่ง ด้วยการกระทําไม่ให้เป็นไปและด้วยการไม่ฝ่ใจดังว่ามานี้แล้วพึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะชานี้อยู่เหตุนั้นพึงทราบว่าท่านรวมคุณชาติแม้ทั้งสองนี้ไว้เป็นหมวดเดียวกันและกล่าวคำนี้ไว้ว่าล่วงพ้นวิญญาณจายตนะชานดังนี้คำว่าไม่มีอะไร มีอธิบายว่าฝ่าใจอยู่อย่างนี้ว่าไม่มีไม่มีว่างเปล่าว่างเปล่าความว่างความว่างแม้คำใดที่ท่านกล่าวไว้ในวิพังปกรณ์ว่าคำว่าไม่มีอะไรอธิบายว่าพระโยคีอย่างวิญญาณนั้นนั่นแหละมีให้เกิดคือไม่ให้งอกงาม ได้แก่ให้อันตรธานสูญหายไปย่อมเห็นว่าไม่มีอะไรเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าไม่มีอะไรคำนั้นท่านกล่าวไว้ดุดการพิจารณาโดยความสิ้นไปแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็พึงเห็นเนื้อความแห่งพระบาลีนั้นอย่างนี้แล้ว่าก็พระโยคีเมื่อไม่คำานึงไม่ใส่ใจไม่พิจารณาวิญญาณนั้น ไฟใจแต่ความไม่มีความว่างเปล่าความว่างแห่งวิญญาณนั้นอย่างเดียวท่านยอมเรียกว่ามีให้วิญญาณนั้นเกิดมีให้เจริญงอกงามให้อันตรธานไปเสียมิใช่ด้วยประการอย่างอื่นดังนี้ส่วนในคํานี้ว่าเข้าถึงอากินจัญญายตนะฌานอยู่พึงทราบ ว, วินิจฉัยดังต่อไปนี้ ความกังวลแห่งความไม่มีวิญญาณในปฐมอรูปฌานนั้นไม่มีเหตุนั้นฌานนั้นชื่อว่าอากินจนะอธิบายว่าสิ่งที่เหลือโดยที่สุดแม้เพียงความแตกสลายแห่งฌานนั้นไม่มีภาวะแห่งอากินจนะชื่อว่าอากินจัญญะคำนั้นเป็นชื่อแห่งการไปปราศจากวิญญาณ ซึ่งมีอากาสา น, านจายตนะเป็นอารมณ์อากินจัญญานั้นเป็นอายตนะแห่งชานั้นเพราะอัฏาว่าเป็นที่ตั้งมัน่นดุจที่อำนักของพวกเทวดาชื่อเทวายตนะเหตุนั้นชานั้นจึงชื่อว่าอากินจัญญายตนะคำที่เหลือเช่นเดียวกับคำก่อนนั่นและ นี่เป็นถ้อยแถลงอย่างพิสดารในอากินจัญญายตนะกรรมฐานเนวะสัญญานาสัญญายตนะกถาก็พระโยคีผู้มีความประสงค์จะเจริญเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตเป็นผู้สั่งสมความชำนาญไว้แล้ว ในอากินจัญญายตนะสมาบัติโดยอาการห้าอย่างเห็นโทษในอากินจัญญายตนะและเห็นอนิสง์แห่งสมาบัติเบื้องสูงอย่างนี้ว่าสมาบัตินี้มีวิญญาณัญจายตนะเป็นข้าศึกอยู่ใกล้และไม่สงบเหมือนเนวะสัญญาณสัญญาญายตนะหรือว่าสัญญาเป็นดุจโรคสัญญาเป็นดุจหัวฝีสัญญาเป็นดุจลูกศร ฌานนี้สงบกว่าฌานนี้ประนีตกว่าคือเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานแล้วคลายความนิยมในอากินจัญญายตนาเสียฝ่ยใจเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยความเป็นสภาวะธรรมที่สงบกว่าแลพึงน้อมนึกใส่ใจพิจารณาบ่อยๆว่าอากินจัญญายตนะสมาบัตินั่นแล ทำความไม่มีให้เป็นอารมณ์เป็นไปแล้วเป็นสภาวะที่สงบระงับได้แก่พึงกระทาให้เป็นสภาวะอันความตรึกและวิตกคร้ามาแล้วเธอเมื่อปล่อยใจให้ท่องเที่ยวไปในนิมิตนั้นบ่อยๆอย่างนี้นิวรนทั้งหลายย่อมสงบระงับสติย่อมดํารงมั่นด้วยดีจิตย่อมมั่นคงด้วยอุปจาระฌาน เธอนั้นปฏิบัติเจริญเพิ่มผูนิมิตนั้นอยู่บ่อยๆเมื่อเธอกระทำอยู่เช่นนี้เลวะสัญญานาสัญญายัตนาจิตยอมแนบแน่นในขันทั้งสี่คืออากินจัญญายัตนาสมาบัติดุจอากินจัญญายัตนะในความไปปราดแห่งวิญญาณส่วนอปปนาไยยะในสมาบัตินี้พึงทราบความตามไยยะที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแหล ก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้พระโยคีนั้นท่านย่อมกล่าวว่าล่วงเลยอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่คําว่าโดยประการทั้งปวงนี้แม้ในฌานนี้ก็มีเนยะเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วแม้ในคําว่าล่วงเลยอากินจัญญายตนะ อธิบายว่าฌานก็ดีอารมณ์ก็ดีชื่อว่าอากินจัญญายตนะตามในยะที่กล่าวไว้แล้วนะเบื้องต้นแลจริงอยู่แม้อารมณ์นั้นชื่อว่าอากินจัญญาตามในยะแรกนั้นแหละด้วยเป็นอายตนะโดยอัฐ่าว่าเป็นที่ตั้งมั่นเพราะเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานที่สามดุจที่พัมนักแห่งเทวดา ชื่อว่าเทวายตนะชะนั้นด้วยเหตุนั้นอารมณ์นั้นชื่อว่าอากินจัญญายตนะอันหนึ่งอากินจัญยนั้นด้วยเป็นอายตนะด้วยอัตถะว่าเป็นทินเกิดเพราะเป็นเหตุก่อเกิดแห่งชา่นั้นนั่นเองเหมือนคำเป็นต้นว่าแควนกัมโพชาเป็นทินเกิดแห่งมาทั้งหลายดังนี้ด้วย แม้เพราะเหตุนั้นชาานั้นจึงชื่อว่าอากินจัญญายตนะพระโยคีก้าววงแม้สภาวะทั้งสองนี้คือชาหนึ่งอารมณ์หนึ่งด้วยการกระทําไม่ให้เป็นไปและด้วยการไม่ใส่ใจอย่างนี้แหลแล้วพึงเข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะชาานี้อยู่เพราะเหตุนั้นพึงทราบว่า ท่านรวมสภาวะนี้แม้ทั้งสองเข้าเป็นหมวดเดียวกันแล้วจึงกล่าวคำนี้ว่าก้าวล่วงอากินจัญญายัตนาฌานดังนี้ส่วนในคำว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนานี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ฌานนั้นท่านเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายัตนาน เพราะภาวะแห่งสัญญาใดสัญญานั้นย่อมมีแก่ผู้ปฏิบัติเช่นไรเพื่อจะแสดงข้อความนั้นก่อนในวิพังปรกรณ์ท่านจึงยกคำว่าเนวสัญญีนาสัญญีขึ้นไว้แล้วกล่าวว่าพระโยคีไฝ่ใจอากินจัญญายตนะนั้นนั่นแหลโดยเป็นธรรมะอันสงบอยู่ย่อมเจริญสมาบัติมีสังขารที่เหลือเป็นอารมณ์ เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเนวสัญญีนาสัญญีดังนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าใฝ่ใจโดยสงบคือใฝ่ใจสมาบัตินั้นว่าเป็นสมาบัติอันสงบแล้วเพราะเป็นสมาบัติที่มีอารมณ์อันสงบแล้วอย่างนี้ว่าก็ชื่อว่าสมาบัติอันใดกระทําแม้ความไม่มีให้เป็นอารมณ์ตั้งอยู่ สมาบัติอันนี้เป็นสมาบัติที่สงบหนอถามว่าถ้าพระโยคีใฝ่ใจโดยความเป็นธรรมะที่สงบอยู่จะมีการก้าวล่วงอย่างไรตอบว่าเพราะไม่ต้องการจะเข้าจริงอยู่พระโยคีนั้นใฝ่ใจสมาบัตินั้นโดยเป็นธรรมะอันสงบอยู่แม้ก็จริงถึงอย่างนั้น เธอก็ไม่มีการขวนขวายไม่มีการนึกถึงไม่มีการไฝ่ใจว่าเราจะคํานึงถึงจากเข้าจากอธิษฐานจากออกจากพิจารณาสมาบัตินี้ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเนิวะสัญญาณสัญญายตนะฌานสงบกว่าประณีตกว่ากว่าอากินจัญญายตนะฌาน เหมือนอย่างพระราชาประทับอยู่ที่คอช้างตัวประเสริฐเสด็จพระราชดําเนินไปตามถนนในเมืองโดยอนุภาพแห่งพระราชาผู้ทรงความเป็นใหญ่ทอดพระเนตรเห็นคนมีศิลปะทั้งหลายมีช่างแกะสลักงาเป็นต้นนุ่งผ้าผืนหนึ่งอย่างธรรมะธรรมงแล้วใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งโพกศรีรษะมีเนื้อตัวเบระเปื้อนไปด้วยผงแห่งงาเป็นต้นกระทํางานศิลปะต่างๆหลายชนิด มีการแกะสลักงาเป็นต้นย่อมพอพระไทยต่อความฉลาดแห่งช่างทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้ว่าน่าชมเชยหนออาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดจักทาศิลปกรรมเช่นนี้ได้แต่พระองค์หาทรงดําริเช่นนี้ไม่ว่าดีหนอเราควรสละราชสมบัติแล้วเป็นช่างเช่นนี้ถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุอนันใด ต อ, อบว่าเพราะสิริราชสมบัติมีความไพ่บูรณ์มากกว่าพระองค์จึงเสด็จเลยเหล่าช่างไปเสียฉันใดพระโยคีนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นฝ่ายใจสมาบัตินั้นโดยเป็นธรรมะที่สงบแม้ก็จริงที่แท้เธอมิได้มีความผูกพันมิได้นึกถึงมิได้ฝ่ายใจถึงเลยว่าเราจะคํานึงถึงจากเข้าจากอธิษฐานจากออก จากพิจารณาสมาบัตินั้นดังนี้พระโยคีนั้นฝ่ใจอรูปสมาบัติที่สามนั้นโดยเป็นธรรมะอันสงบอยู่ย่อมบรรลุสัญญาที่ถึงอ ป, ปนาอันสุ ข, ขุมอย่างยิ่งนั้นโดยนัยยะที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องตน้นซึ่งได้นามว่าเนวะสัญญีนาสัญญีท่านเรียกว่ายอมเจริญสมาบัติ มีสังขารที่เหลือเป็นอารมณ์คำว่าสมาบัติที่มีสังขารที่เหลือเป็นอารมณ์ได้แก่อรูปปะสมาบัติที่สี่ซึ่งมีสังขารที่ถึงภาวะอันสุขขุมอย่างยอดเยี่ยมบัตดนี้เพื่อจะแสดงเนื้อความแห่งคำที่ท่านเด้กลาวไว้ว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะด้วยสามารถสัญญาที่พระโยคีบรรลุ ดังที่ได้พันณามาท่านจึงกล่าวไว้ว่าคำว่าเนวสัญญาณสัญญาญัตนะได้แก่ธรรมะคือจิตและเจตสิกแห่งพระโยคีผู้เข้าหรือผู้เข้าถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะฌานหรือผู้อยู่เป็นสุขในธรรมะที่บรรลุแล้วบรรดาธรรมะเหล่านั้นสำหรับในอธิการนี้ ท่านประสงค์เอาจิตและเจตสิกแห่งพระโยคีผู้เข้าชานั้นก็ในสมาบัตินี้มีอัถวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ชานนี้พร้อมทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมชื่อว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะไม่มีสัญญาที่ยาบและชื่อว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะสัญญาที่ละเอียดยังมีอยู่เหตุนั้นชานนี้จึงชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญาก็เนวสัญญานาสัญญานั้นเป็นอายตนะด้วยเพราะนับเนื่องในมานายตนะและธรรมายตนะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอีกในยะหนึ่งสัญญาในสมาบัตินี้ไม่มีชื่อว่าสัญญา เพราะไม่สามารถทำหน้าที่สัญญาได้เต็มที่และชื่อว่าไม่มีสัญญาเลยก็ไม่ได้เพราะสัญญาก็ยังมีอยู่โดยที่ยังมีสังขารอันธรรมะที่ละเอียดเหลืออยู่เหตุนั้นจึงชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญาก็เนวะสัญญานาสัญญานั้นเป็นอายตนะด้วย อพราะธว่าเป็นที่ตั้งมั่นแห่งธรรมะที่เหลือเหตุนั้นจึงชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็ในสมาบัตินี้มิใช่เพียงสัญญาเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ที่แท้ถึงเวทนาก็ชื่อว่ามีเวทนาก็ไม่ใช่ไม่มีเวทนาก็ไม่ใช่ถึงจิตก็ชื่อว่ามีจิตก็ไม่ใช่ ไม่มีจิตก็ไม่ใช่ถึงผัสสะก็ชื่อว่ามีผัสสะก็ไม่ใช่ไม่มีผัสสะก็ไม่ใช่ในสามประยุติธรรมทั้งหลายที่เหลือก็ในยะนี้เหมือนกันอันหนึ่งนักศึกษาพึ่งทราบว่าพระธรรมเทศานานี้พระพุทธองค์ทรงยกสัญญาเป็นบทตั้ง นักปราชญ์พึงไขเนื้อความนี้ให้กระจางแจ้งด้วยอุปมาหลายอย่างเริ่มต้นแต่อุปมาเหมือนน้ำมันทาบาทเป็นต้นเรื่องสมะเนีนใช้น้ำมันทาบาทเล่ากันต่อมาว่าสมะเนีนใช้น้ำมันทาบาดแล้วตั้งเก็บไว้ในเวลาฉันเข้าต้มพระเทระกล่าวกับสมะเนีนนั้นว่า เธอจงนำบาดมาสามเณรเรียนท่านว่าในบาดมีน้ำมันครับเมื่อพระเถระกล่าวว่านำน้ำมันมาเถิดสามเณรฉันจะกรอกให้เต็มหลอดที่บรรจุน้ำมันก็เรียนว่าไม่มีน้ำมันครับในเรื่องนั้นพึงทราบอุปมาดังนี้น้ำมันปรากฏว่ามีอยู่เพราะมันอยู่ข้างใน โดยไม่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับข้าวต้มแต่ปรากฏว่าไม่มีด้วยสามารถจะกรอกให้เต็มหลอดได้เป็นต้นชันใดถึงสัญญานั้นก็ฉันนั้นชื่อว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะไม่สามารถทำหน้าที่สัญญาได้เต็มที่ชื่อว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะสัญญายังมีอยู่โดยยังมีสังขารที่ละเอียดเหลืออยู่ ถามว่าในสมาบัตินี้กิจแห่งสัญญาเป็นอย่างไรตอบว่าได้แก่การหมายรู้อารมณ์และการเข้าถึงภาวะแห่งอารมณ์แห่งวิปัสสนาแล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายก็สัญญานั้นไม่อาจทำแม้หน้าที่คือความหมายรู้ให้เต็มที่ได้ดุดเตโชธาตในน้ำร้อนไม่สามารถทำกิจคือการเผาได้ คือไม่อาจเข้าถึงความเป็นอารมณ์แห่งวิปัสนาแล้วกระทาให้เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนสัญญาในสมบัติที่เหลือได้จริงอยู่ภิกษุไม่ได้ทำการพิจารณาในคันทั้งหลายอื่นพิจารณาแต่เนวะสัญญานาสัญญาคันเท่านั้นชื่อว่าสามารถบรรลุความเบื่อหนายไม่มีก็ท่านพระสารีบุตรเทระ โดยปกติเป็นนักวิปัสสนาเป็นผู้มีปัญญามากพึงอาจบรรลุได้ส่วนกุลบุตรอื่นที่มีปัญญามากเช่นเดียวกับท่านพระสารีบุตรเทระก็พึงอาจบรรลุได้แม้กุลบุตรนั้นก็พึงอาจกำหนดถือเอาได้ด้วยอำนาจการพิจารณารวมกันเท่านั้นอย่างนี้ว่าในยะว่า ธรมมะเหล่านี้ไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นที่เกิดมีแล้วก็แปรปรวนไปอย่างนี้แต่ไม่พึงอาจกำหนดถือเอาได้ด้วยอำนาจการเห็นธรรมะตามลำดับบทสมาบทนี้ถึงความเป็นสภาพละเอียดอย่างนี้บัณฑิตพึงไขเนื้อความนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งแม้ด้วยการเปรียบเทียบกับน้ําในหนทางเหมือนการเปรียบเทียบ กับน้ำมันทาบาทฉะนั้นได้ยินมาว่าสัมมเนรเดินไปข้างหน้าพระเทระผู้เดินทางเห็นน้ำหน่อยหนึ่งจึงกราบเรียนว่าน้ำขอรับนิ ม, มนต์ถอดรองเท้าเมื่อพระเทระกล่าวว่าเออสัมมเนรท่านน้ำมีจงนำผ้าอาบน้ำมาฉันจะสงน้า จึงกราบเรียนว่าไม่มีครับในข้อนั้นพึงเห็นเนื้อความว่าน้ำปรากฏว่ามีอยู่เพราะพอเพียงที่จะเปียกรองเท้าแต่ปรากฏว่าไม่มีพอที่จะอาบได้ฉันใดแม้สัญญานั้นก็เหมือนกันจัดว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะไม่สามารถทํากิจแห่งสัญญาอย่างเต็มที่ได้ จัดว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะสัญญายังมีอยู่โดยที่ยังมีสังขารที่ละเอียดเหลืออยู่ก็บัณดิตไม่พึงไขเนื้อความนี้ให้แจมแจ้งด้วยอุปมาเหล่านี้เพียงเท่านั้นพึงไขให้แจมแจ้งด้วยอุปมาที่เหมาะสมแม้เหล่าอื่นอีกคำว่าเข้าถึงอยู่นี้ก็มีในยะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเช่นกัน มีเป็นถ้อยถแถลงอย่างพิสดารในเนวะสัญญานาสัญญายตนะกรรมมัฐานปกินักกะกะถาพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกมีพระรูปหาผู้เปรียบเสมอเหมือนม่ได้ปรัสอรูปรสมาบัติสี่อย่างอันใดไว้แล้วพระโยคีเข้าใจสมาบัตินั้นดังนี้แล้ว ก็ควรทราบท้อยถแถลงแม้เล็กๆน้อยๆในสมาบัตินั้นจริงอยู่อรูปสมาบัตเหล่านี้มีอยู่เพียงสี่ประการโดยการก้าวล่วงอารมณ์บัณฑิตผู้มีปรีชาไม่ปรารถนาการก้าวล่วงองค์แห่งอรูปสมาบัติเหล่านั้นนักศึกษาพึงทราบอารูปสมาบัติเหล่านี้ว่ามีเพียงสี่ประการ โดยการก้าวล่วงอารมณ์โดยประการทั้งปวงคือก็ในอรูปสมาบัตส4เหล่านี้อรูปสมาบัติที่1โดยการก้าวล่วงรูปนิมิตอรูปสมาบัติที่สองโดยการก้าวล่วงอากาศอารูปสมาบัติที่สโดยการก้าวล่วงวิญญาณที่เป็นไปนแล้วในอากาศอารูปสมาบัติที่4ี่ โดยการก้าวล่วงความไปปราดจากวิญญาณที่เป็นไปแล้วในอากาศแต่การก้าวล่วงองค์แห่งอรูปสมาบัติเหล่านี้บัณฑิตไม่ปรัชนาความจริงในอรูปสมาบัติเหล่านี้ไม่มีการก้าวล่วงองค์เหมือนในรูปปาวจรสมาบัติเพราะว่าในอรูปสมาบัติเหล่านี้แม้ทั้งหมดมีองค์ฌานเพียงสองเท่านั้นคือหนึ่งอุเบกขา และสองจิตเตกัคตาแม้เมื่อเป็นเช่นนี้ในอรูปปสมาบัตินี้อรูปปสมาบัติข้อหลังๆเป็นคุณชาติที่ประณีดดีกว่าในอรูปปสมาบัติเหล่านั้นนักศึกษาพึงสราบอุปมาเหมือนพื้นปราสาทและผ้าสาตกะก็เหมือนอย่างปร า, าสาทสี่ชั้นชั้นล่าง ปรากฏการมคุณทั้งอันปราณีตด้วยสามารถการฟ้อนราขับร้องประโคมดนตรีกลิ่นที่หอมตลกพวงดอกไม้อาหารที่นอนและเครื่องนุ่งหม่มอันเป็นทิพเป็นต้นแต่ชั้นที่สองปราณีตกว่าชั้นล่างชั้นที่สามปราณีตกว่าชั้นที่สองชั้นที่สี่ปราณีตกว่าทุกชั้นถึงพื้นปราศาทเหล่านั้น ในปราสาทนั้นทั้งสี่ชั้นย่อมไม่แตกต่างกันโดยเป็นพื้นปราสาททั้งสี่ชั้นก็จริงถึงอย่างนั้นชั้นบนบนก็ประนีตกว่าชั้นล่างล่างโดยความพิเศษกว่ากันแห่งความสำเร็จแห่งการมาคุณทั้งห้าชั้นใดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับหญิงคนหนึ่งใช้ได้ที่หยาบละเอียดละเอียดกว่าและละเอียดที่สุด ทอผ้าสาดกะสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นและชั้นเดียวมีประมาณเท่ากันทั้งส่วนยาวและส่วนกว้างผ้าสาดกะเหล่านั้นทั้งสี่ผืนมีประมาณเท่ากันทั้งส่วนยาวและส่วนกว้างไม่แตกต่างกันเลยโดยประมาณก็จริงถึงอย่างนั้นผืนหลังๆก็ประณีตกว่าผืนแรกๆโดยความเป็นผ้ามีเนื้อละเอียดมีสัมผัสนุ่มนวลและมีราคาแพง ฉันใดแม้ในอรู ป, ปสมาบัตทั้งสี่นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถึงจะมีเพียงองค์สองเหล่านี้คืออุเบกขาหนึ่งและจิตเตกัคคตาหนึ่งก็จริงถึงอย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบโดยความแตกต่างแห่งภาวนาว่าในอรู ป, ปสมาบัตินี้อรู ป, ปสมาบัติข้อหลังๆปราณีต ด, ดีกว่าโดยที่องค์เหล่านั้นเป็นสภาวะปราณีตและประณีตกว่านั้น ก็เอารูปปัสมาบัดเหล่านี้ปราณีตและปราณีตกว่ากันโดยลำดับดังบรรยายมานี้ชายคนหนึ่งหนวนดบที่ศกรปรกอีกคนหนึ่งยืนเกาะชายผู้นั้นชายอื่นอีกคนหนึ่งยืนอยู่ภายนอกไม่เกาะชายทั้งสองนั้นแต่ว่าชายอีกคนหนึ่ง กลับยืนเกาะชายที่ยืนอยู่ภายนอกมนดบนั้นถึงอรูปปสมาบัตทั้งสี่บัณฑิตผู้มีปรีชาพึงทราบโดยความมีสภาพเสมอกันกับชายทั้งสี่คนเหล่านั้นตามลำดับในอุปมานั้นมีการขยายความดังต่อไปนี้เขาเล่าว่ามีมนดบหลังหนึ่งอยู่ในที่ศกรกรบก สมัยนั้นยังมีชายคนหนึ่งมาแล้วเกลียดความสกรปรกนั้นจึงเหนี่ยวมณฑปนั้นอยู่ดุดหนึ่งว่าคนถูกแขวนอยู่ที่มณฑปนั้นต่อมายังมีชายอีกคนหนึ่งมาแล้วจึงเกาะชายผู้เกาะมณฑปนั้นต่อมายังมีชายอีกคนหนึ่งมาแล้วคิดว่าชายที่เกาะมณฑปก็ดีชายที่เกาะชายผู้เกาะมณฑปก็ดี ทั้งสองคนเหล่านี้ยืนไม่มั่นคงเขาทั้งสองจะตกลงไปในบ่อใกล้มนดบแน่นอนอยากกระนั้นเลยเรายืนข้างนอกดีกว่าเขาจึงยืนเียข้างนอกไม่เกาะชายผู้เกาะชายที่เกาะมนดบนั้นภายหลังต่อมายังมีชายอีกคนหนึ่งมาแล้วคิดเห็นความไม่ปลอดภัยแห่งชายที่เกาะมนดบ และชายที่เกาะชายผู้เกาะมนดบนั้นรู้สึกว่าชายที่ยืนอยู่ข้างนอกเท่านั้นยืนได้มั่นคงจึงเกาะชายคนนั้นในข้อนั้นนักศึกษาพึงเห็นอากาศเป็นเครื่องเพลกรสินดุดมนดบในที่ศกระปรกพึงเห็นอากาศสานัญนจายตนะซึ่งมีอากาศเป็นอารมณ์เพราะรังเกยียดรูปนิมิต ด, ดุดชายที่เกาะมนด เรอังเกยียดความสกปรกพึงเห็นวิญญาณัญจายตนะที่ปรารบอากาสานัญจายตนะซึ่งมีอากาศเป็นอารมณ์เป็นไปดุจ ช, ชายผู้เกาะชายที่เกาะมนดบพึงเห็นอากินจัญญาญตนะอันไม่ทำอากาสานัญจายตนะให้เป็นอารมณ์แล้วมีความไม่มีแห่งอากาสานัญจายตนะนั้นเป็นอารมณ์ ดุดชายที่คิดถึงความไม่ปลอดภัยแม้แห่งชายทั้งสองคนแล้วยืนเสียข้างนอกไม่เกาะชายที่เกาะชายที่เกาะมณฑปนั้นพึงเห็นเนวัสัญญาณาสัญญายตนะซึ่งปรารบอากินจัญญายตนะอันตั้งอยู่ณที่ภายนอกคือความไม่มีวิญญาณเป็นไปดุดชายที่คิดถึงความไม่ปลอดภัยแห่งชายที่เกาะมณฑป และชายผู้เกาะชายซึ่งเกาะมน ด, ดบนั้นแล้วรู้สึกว่าชายที่ยืนอยู่ข้างนอกนั้นว่าเป็นผู้ยืนได้มั่นคงจึงยืนเกาะชายผู้ที่ยืนอยู่ข้างนอกก้อนเนวะสัญญานาสัญญายัตนนนี้มีความเป็นไปอย่างนี้คือยังต้องทำอรูปสมาบัตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์เพราะไม่มีอารมณ์อื่นเช่นเดียวกับประชาชน จำต้องเคารพพระราชาแม้ที่ตนเห็นความไม่ดีเพราะเหตุแห่งชีวิตจริงอยู่เลวะสัญญาณาสัญญายัตนาชาญยังต้องทำอากินจัญญายัตนาชาญแม้ที่ตนเห็นโทษอย่างนี้เล้าว่าสมาบัตินี้มีวิญญาณจายตนสมาบัตเป็นข้าศึกอยู่ใกล้นั้นเป็นอารมณ์เพราะไม่มีอารมณ์อื่น ถามว่าเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนประชาชนยังต้องนอบน้อมพระราชาแม้ที่ตนเห็นความไม่ดีเพราะเหตุแห่งชีวิตอันหนึ่งเหมือนประชาชนเมื่อไม่ได้การดำรงชีวิตอยู่ในที่อื่นเพราะเหตุแห่งชีวิตจึงจำต้องอาศัยพระราชาบางพระองค์ที่เป็นเจ้าทวีปทั้งปวงซึ่งไม่สัารวมมีกายสมาจารวจีสมาจาร และมโนสมาจารที่หยาบ ก, กระด้างแม้ที่ตนเห็นโทษแล้วอย่างนี้ว่าพระราชาพระองค์นี้มีสมาจาร์กักขละเป็นไปชันใดเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้ก็ชันนั้นเมื่อไม่ได้อารมณ์อื่นก็จำต้องทำอากินจัญญายตนะฌานแม้ที่ตนเห็นโทษแล้วนั้นให้เป็นอารมณ์ก็เนวะสัญญานาสัญญายตนะฌาน กระทำอยู่อย่างนี้คือคนขึ้นบันไดายาวจะต้องยึดแม่บันไดชั้นใดคนขึ้นสู่ยอดภูเขาจะต้องเหนียวโคดเขาชั้นใดคนขึ้นภูเขาหินลาดจะต้องค้ำเข่าของตนชั้นใดเนวะสัญญาณสัญญายตนาชา น, นี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันจะต้องยึดเหนียวอากินจัญญายตนาชา น, นั้นเป็นไป ปริเชษที่สิบชื่อว่าอารุปปนิเทศในอธิการว่าด้วยสมาธิภาวนาในปกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพระเจ้ารจนาขึ้นไว้เพื่อให้เกิดความปราโมทแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้คำพีวิสุทธิมักจบปริเชษที่สิบพระพุทธโคสเรรถระรจนา